การฝึกฝนในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นต้นตอของคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้าจําเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆเพื่อใหเอ้เกิดความมันคงความเรียบร้อยความสงบภายในกายภายในใจอย่างมีหลักนะลทุกอย่างมันมันคิดเอาไม่ได้ต้องทําให้สอดคล้องกันทั้งสามหลักทาง ทายทงวาจาทั้งใจเวลาเราออกมาเจริญวิปัสนาแล้วการขัดเกลาตรตตาตัวตนของเราให้น้อยลงเราก็จะฝึกฝนตัวเองได้มากขึ้นตราบใดที่อัตตาตัวตนของเรายังแข็งกระด้างอยู่การฝึกฝนก็เริ่มต้นไม่ได้เมื่อใดเราเห็นกายใจนี้เป็นเพียงรูปกระนามมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขา แล้วก็ฝึกฝนได้ง่ายขึ้นเหมือนดินก้อนหนึ่งที่เราเอามาปั้นเป็นนกเป็นหนูเป็นคนเป็นจัดได้ตามต้องการเมื่อเราเห็นในร่างกายนี้เป็นเพียงถาดก้อนหนึ่งที่เราจะดัดแปลงให้สวยงามก็ได้ให้ขี้เล็ก็ได้แต่ถ้าเรายังเห็นดินก้อนนี้เป็นของเราอยู่เราก็ทําอะไรกับมันไม่ได้มันก็ยังเป็นดิน ก่อนที่ไม่มีอะไรไม่มีค่าอะไรแต่พอเราเห็นธาตุสีของเราดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นธาตุก้อนหนึ่งที่เราจะต้องดัดแปลงแก้ไขตกแตง่งโดยลดความสำคัญมันหมายคือสักยะทีีทออกไปเราก็สามารถดัดแปลงตกแต่งฝึกฝนชีวิตของเราให้ตีงามได้จากความเป็นอบายภูมิเพื่อไปสุขติภูมิเป็นอริยะภูมิและเป็นพุทธภูมิตามลาดับได้โดยไม่ยาก แต่ขอให้ลดสักยะทิฏฐิหรืออัตราตัวตนลงได้มากเท่าไหร่การฝึกฝนตนเองก็จะงดงามมากขึ้นเท่านั้นที่จะประคับประคองสติที่เป็ น, ปนไปในกายได้ต่อหนึ่งสันยาวแค่ไหนนะแล้วก็เรื่อง <c oughs> วาจาถ้าเรางดงดพูดลงได้บ้างก็ก็ลองงดดูคือหมายความพูดให้น้อยลง เราที่จำเป็นหรือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่พูดเลยเนยะเราก็าดูศึกษาใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะตัวเราหลังจากที่มันส่งออกมาตลอดที่พอเรานํากลับเข้ามาเนี่ยอย่างเข้าใจจิตของเรามันก็จะไม่แข็งขืนต่อต้านแต่ว่ามันจะให้ความร่วมมือกับเราในการศึกษาร่วมกันนะ ตอะในตัวสักยะทิฐินี่มันเป็นหน่อเป็นเนื้อเป็นเชื้อให้เราต้องได้เกิดแก่เจ็บตายมาทุกภพทุกชาติก็เพราะตัวนี้แต่มาบทนี้เร า, เาพยายามทำความพอใจกับเขาแล้วก็ดูแลเขาอย่างเหมือนเด็กนะเพราะนั้นเองก็มันจะแยกให้เห็นว่ารูปมันไม่มีปัญหาอะไรเหมือนฟืนท่อนหนึ่ง เหมือนหุ่ยนยนต์หนึ่งแต่ตัวนำหรือตัวจิตวิญญาณที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันยังจะต้องได้รับการฝึกฝนหรือฟอกฝนจนกว่ามันจะสะอาดขึ้นเรื่อยๆนะทุกวันนี้มันยังมีตัวรุลหลังด้วยความอยากความหวังความปรารถนาความคิดอารมณ์อัตตาตั ว, ต, วตัวอะไรต่างเต็มเพียบอยู่ในมัน เราก็ค่อยๆส่องเข้าไปดูเข้าไปทีละอย่างละอย่างด้วยการใช้ตัววิปัสนาญาณของเราที่เราตั้งใจเราปฏิบัติวิปัสนาไม่ใช่เพื่อความสงบไม่ใช่เพื่อความสุขแต่เพื่อการให้เกิดปัญญาเห็นสภาวะของอารมณ์ต่างๆ ท, ที่มันเคยเป็น ทีนี้เราก็มาตั้งใจดูตั้งใจศึกษามันไปทีละอย่างละอย่างด้วยอาศัยสติสมิยะที่ปรครองกายให้อยู่ในปัจจุบันอย่างผ่อนคลายนะคือไม่ตั้งใจมากเกินไปขณะเดียวกันก็ไม่ปล่อยเกินไปการเฝ้าดูศึกษาไปเรื่อยๆไม่วยว่าการลุกการ น, นั่งการย่างการเดิน การกินการดื่มการเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยคอยดูว่าเราพยายามที่จะให้สติสัมผัะเป็นตัวนําแต่บางครั้งพอเราเพลอปับ๊บตัวอัตตาตัวโ ต, ว ต, ว ต, ว ต, วตวแล้วก่ อ, อกมานําพอเรารู้ทันแล้วก็ลดบทบาทบนลงมาเอาสติสัมผัสเข้าไปนาใหม่มันก็จะคอยดูกันไปอย่างเนี้ยจนกระทั่งว่าเราเริ่มรู้จัก รู้จักรูปจากนามากขึ้นรู้จักกายจากใจมากขึ้นเราก็จะเห็นบทบาทของ อ, อัตราตรัวตนที่เราเคยเกาะเกี่ยวเคยใช้ ม, มานานนี่แหละเราก็ลดบทบาทมันลงไปเอาบทบาทมาเป็นหน้าที่ของสติสมั ย, ยะล้วนๆดีความรู้สึกตัวล้ว น, นเนี่ยเข้ามาตัวอัตราตรัวตนมันจะออกมาในแง่ของความคิดความเห็นความอยาก แตสติสัมยามันจะเป็นผู้ดูเฉยๆเป็นผู้จัดการจัดการในสิ่งที่มันผิดธรรมชาติทั้งมันนะตัวธรรมชาติเป็นลักษณะที่สงบแล้วก็เฉยๆแล้วก็สะอาดนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในส่วนหนึ่งที่เป็นสภาวะที่ไม่ธรรมชาติที่ไม่ปกติที่เราใช้มันมา มันก็คอยเข้าไปแทรกแซงแปดเปื้อนเราก็พยายามคอยสังเกตไปทีละอย่างละอย่างเหมือนเราเก็บเม็ดกากออกจากข้าวสารหรือเก็บเม็ดทินออกจากเข้าสุกที่มันปลนลงไปคอยเก็บออกนะหรือน้าําใสๆที่เราจะดื่มมันมีฝุ่นมีผงอะไรตกลงไปแล้วค่อยกรองออกกรองออกไปเรื่อยๆเราก็จะปลอดภัยจิตใจแล้วก็จะปลอดภัยจาก สิ่งเก่าๆที่เรียกว่าวิบากนะ้วเราค่อยศึกษามันไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันไม่มีผลดีกับใครนอกจากตัวเราเองที่รับผลล้วนแล้วเพียงอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวชี้นำแล้วค่อยฝึกฝนไปนะซึ่งาธาตุขันธรรมดาเนี่ยมันก็สามารถมีคุณค่าขึ้นมาได้เมื่อก่อนเราไปกราบพระสักวัดหนงเป็น พุทธรูปแกะสลักสวยงามหรือเมื่อก่อนมันก็ไม้ท่งท่อนหนึ่งที่ทิ้งอยู่ตามป่าตามเขาในโดยการบรรจงแกะสลักของนายช่างก็ทํำให้ไม้ท่อ น, นั้นเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเราก็ได้กลับได้ไหวนะแผ่นอิฐแผ่นทองคําแผ่นทองเหลืองที่เลื่อราดอยู่ตามกองขยะที่ไหนไม่รู้เก็บมาหลอมาหล่อให้เป็นพุทธรูปให้เราได้กลับได้ไหวนะ อิดหินดินทรายที่เราเหยียบย่าเกียรกลัวกับ ด, ดินกับเลนกับโตรมที่ไหนแล้ววันหนึ่งมันเกิดถูกลมตัวมาเป็นพุทธลูปให้เราได้กราบได้ไหวเช่นเดียวกันในท่ายสี่ขันห้าของเราที่มันคลุกุนฝุ่นกิเลสมาหลายภพหลายชาติเนี่ยพอเรามาเลือกมอยสันเอาอาการของความสงบความสะอาดเข้ามาจัดสรรเอกมารูปนม ขั้นสี่ขั้นห้านี้ก็จะเป็นวัตถุที่ค่อยศักดิก์สิทธิ์ขึ้นมาค่อย ม, มีความหมายขึ้นมาตามลําดับที่เราเรียกว่าเป็นอริยะบุคคลเราทุกคนทําได้แต่เราต้องใช้ความเพียรพยายามที่ถูกต้องไปเรื่อยๆค่อยฝึกฝนดูะเราก็ทําตามใจเรามานานแล้วตลอดชีวิตละ ว, วันนี้ลองไม่ทําตามมันดูบ้างเนี่ยมันจะยากขนาดไหนก็ทําตามทำ ธรรมชาติที่สะอาดสว่างสงบมีอยู่แล้วก็เอาส่วนนี้มาใช้ดูบ้างธรรมชาติที่มันไม่สาดไม่สว่างไม่สงบเนี่ยเรามันพาเราทุกมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเราลองเลิกใช้มันบ้างอย่างเงี้ยเราลองศึกษาไปนะแล้วนะวันนี้หลังจากที่เราไปรับอาหารเรียบร้อยแล้วขอขยับเวลาขึ้นมาทุกวันเรามาก็าจะครบก็แปดโมงครึ่งวันนี้ขอครบที่แปดโมงคงจะเราจะลดเวลา อานชุกจิที่เสียเวลานั้นนี่ลงมาได้มาคนไหนเสร็จก่อนเข้ามาก่อนคนไหนเสร็จที่หลังก็ไม่ควแปดไม่คนเกินแปดโมงนะที่เรากราบพระพร้อมกันครับ